บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงหลวงปู่แหวนสุจิตโนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นอันมาก จึงน่าจะมาศึกษาคำว่าสุจินโนซึ่งเป็นฉายาของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าธรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้คำว่าสุจินโนจึงแปลว่าผู้ประพฤติธรรมดีแล้ว การประพฤติธรรมนั้นบางครั้งทรงสอนว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตจึงถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือประพฤติธรรมให้ดีอย่าประพฤติธรรมให้ผิดหรือให้ไม่ดีธรรมะปฏิบัติอันดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่า สามารถแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติก็จะเน้นไปเพียงสามกลุ่มเป็นหลักเพราะกลุ่มที่สี่นั้นเป็นเพียงป้าหมายคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบเหตุทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุ เมื่อบุคคลประกอบเหตุผลก็จะบังเกิดขึ้นมันจะเรียกร้องผลหรือไม่เรียกร้องผลแต่ถ้าประกอบเหตุผลก็เกิดขึ้นมาได้ตามสมควรแก่เหตุและในขณะเดียวกันจะดับไปก็เพรดับเหตุคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงพูดเรื่องความเกิดและความดับ ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของสังขารและของธรรมทั้งหลายธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติดีนั้นบางครั้งอาจจะมองไปที่พวกอัปญากตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางกางเช่นความเกิดความแก่ความตายความโศกรำไรลำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจต่างๆเป็นต้น ก็พยายามศึกษาให้เกิดความเข้าใจถึงสภาวะของความเกิดความแก่ความตายเพาที่จริงแล้วเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่เป็นรู ป, ปรธรรมนั้นก็คือเรื่องของความเกิดแต่ในตัวความเกิดเองก็เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุเรทนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมา แลส่วนที่เป็นรูปธรรมจึงถ้าหากว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นประชุมกันอย่างถูกต้องความเกิดก็ต้องมีเป็นธรรมดาดนั้นความเกิดจึงเป็นธรรมดาความแก่เองจึงเป็นธรรมดาเพราะไหลามาจากความเกิดความตายก็ต้องเป็นธรรมดาเพราะสืบต่อมาจากความเกิดความแก่ ช่วงระหว่างความเกิดถึงตายนั้นจะประสบคติของธรรมดาเป็นนันมาแต่ธรรมดาเหล่าอื่นเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นจากภายในใจของบุคคลมีกิเลสอยู่เท่านั้นเองจะเรียกว่ามีการกำหนดหมายมีการยึดถืออารมณ์เหล่านั้นและจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิต การสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นจะสร้างไปในทางกลางๆ ก, ก็ได้สร้างทางดีก็ได้สร้างทางไม่ดีก็ได้แล้วสร้างสร้างไปทางกลางๆความรู้สึกของเราก็เป็นอทุกรมมสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ที่เด่นชัดแต่สร้างไปในทางไม่ดีความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นทุกข์อาจจะเกิดขึ้นจิตใจและต่อไปอาจจะถึงอาจจะเกิดถึงกาย แรืจะเกิดขึ้นที่กายในใจก็ทําหน้าที่สเสวยความทุกข์เหล่านั้นแต่ถ้าเกิดการกำหนดการกําหนดหมายด้วยความยึดถือในทางดีความรู้สึกของเราก็จะเป็นความสุขความโศมนันะอาจจะเกิดขึ้นที่กายก่อนมาถึงจิตหรือจากจิตมาถึงกายก็ได้ก็ต้องลงใจเห็นได้ว่าถ้าในแง่คติของธรรมดา การปฏิบัติดีในชั้นนี้ก็คือการปรับใจให้ยอมรับคติแห่งธรรมดาและพยายามที่จะหาประโยชน์จากคติธรรมดาเหล่านั้นมองความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเวลาแก่ทำอย่างไรจึงจะแก่ให้ในทางที่ดี เพราะความแก่ของขันนั้นจะต้องแก่เป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครที่สามารถควบคุมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เมื่อควบคุมไม่ได้ถ้านก็สอนในชั้นของการยอมรับความจริงแห่งกติธรรมดาเหล่านั้นและจะไม่ให้เดือดร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายซึ่งจะต้องมีเป็นเรื่องแน่นอนได้เกิน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีธรรมะส่วนหนึ่งอีกสองส่วนคือฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีถ้าน่า จ, จะเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเมื่อ้าพูดในสายของอริยสัจเราก็เรียกว่าส ม, มุทัยกับมักเป็นธรรมะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คราวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงในชั้นพื้นพื้ น, นฐานทั่วไปที่ทรงประรบสุดจริตทุจริตซึ่งแสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจทรงแสดงว่าเพราะทุจริตนั้นบุคคลสามารถละได้ถ้าบุคคลไม่สามารถละได้ตถาคตก็จะไม่แสดงแก่พวกเธอทั้งหลาย การที่บุคคลละทุจริตได้ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญตถาคตมีความเอนดูในพวกเธอทั้งหลายจึงแสดงว่าทุจริตนี้ต้องละในส่วนของกุศลหรือสุดจริตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทรงแสดงว่าพราะสุจริตนั้นบุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นได้ถ้าไม่สามารถปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นได้ตถาคตก็ไม่จะับไม่แสดงแก่พวกเธอทั้งหลาย บุคคลที่ประพฤติสุจริตแล้วก็จะมีความสุขตาราคตมีความเมตตาเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายต้องการใหพวกเธอทั้งหลายได้ความสุขจึงแสดงให้ประพฤติปฏิบัติในทางสุจริตดังนั้นจะพบว่าบุคคลอาศัยคติของธรรมดาแห่งร่างกายที่มีเกิดแก่ตาย ซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ทำใจ ย, ยอมรับกติแห่งธรรมดาสามารถปล่อยวางในอารมณ์ทลายได้ตามสมควรเพื่อไม่ให้เกิดความเศร้าโศกร่ำไรลำพันเป็นต้นเมื่อประสบกับกติของธรรมดาแล้วนั้นคือในชั้นสมมติบัญญัตินั้นก็จะยึดถือตามสมควรแก่ฐานะ แต่ใจยอมรับคติของธรรมดาเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามกติของธรรมดาก็ปรงใจได้เพราะสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกติแห่งธรรมดาได้เป็นไปแล้วจะคิดหรือไม่คิดมันก็เป็นไปแล้วถ้าเราจะคิดจะมากลัดกรุมมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับคติแห่งธรรมดาก็จะเสียไปเท่าที่เสียใจของบุคคลไม่เสียตามไปด้วย ความทุกข์ที่จะเพิ่มขึ้นก็ไม่เพิ่มขึ้นสมมติว่าจะมีก็มีเท่าที่มีและเมื่อไม่เพิ่มขึ้นโอกาสที่จะลดมันก็ลดได้เร็วราคล้ายๆกระน้ำท่วมน้อยเวลาลดก็ลดได้เร็วแต่ถ้าท่วมมากก็ลดช้าจิตใจของบุคคลที่ถูกท่วมทับด้วยความโศกเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าปล่อยมันโศกเท่าที่มันสก มันก็จะลดได้ง่ายตัวอย่างเหล่านี้จะมองในที่อะไรที่อะไรก็ได้เช็นเสื้อภาพเปลือด น, น้อยมันก็ซักได้หายได้เร็วสะอาดได้เร็วแต่เปลือมากมันก็ซักลำบากจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายเป็นทุกข์นั้น บุคคลสามารถมองเห็นได้อีกด้านหนึ่งคือถ้าไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็จะมีความสุขและทยอยลดความยึดมั่นถือมั่นลงมาความสุขก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็จะลดลงแต่การจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้นไอ้กิเลสเป็นเหตุยึดมัน่นจะต้องหมดไปแต่ไม่ได้หมายความมาสังขารร่างกายต้องแตกต่ํ สังขารร่างกายก็อยู่ตามปกติธรรมดาเพราะตัวการไม่ได้อยู่ที่สังขารร่างกายแต่อยู่ที่ใจซึ่งประกอบด้วยกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นถ้ามีการลดละบันเทาลงไปความทุกข์มันก็ลดลงสมมติว่าจะทุกข์ในส่วนของทุกขเวทนามันก็ทุกขเท่าที่มันทุกขทุกขในส่วนของสภาวะที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและก็เป็นเรื่องของสภาวะของสิ่งนั้นๆในกรณีที่ทุกข์เระเกิดขึ้นจากการแผดเผาก็แผดเผาเท่าที่แผดเผาใจของบุคคลก็จะไม่เดือดร้อนไปตามสิ่งที่ถูกแผดเผาเหล่านั้นแจะสามารถจะแยกใจออกจากสิ่งที่ถูกแผดเผาได้ความสุขก็จะเพิ่มขึ้นภายในจิตใจ เรื่องของความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นพวกที่ทรงสอนให้ละเราจะพูดโดยสำนวนเบื้องต้นว่าทุจริตก็ได้เพระทุจริตนั้นมาถึงมโนโทุจริตที่แปล ว, ว่าความคิดในทางผิดหรือความรู้สึกในทางที่ผิดเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคล โดยการปรุงแต่งของกิเลสการปฏิบัติดีในชั้นนี้ก็คือพยายามมองเหตุโทษของความยึดมั่นถือมั่นและตัวของความยึดมั่นถือมั่นได้แก่พวกกิเลสที่เป็นเหตุแห่ยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายอาจจะเป็นก a r m a คือความไข้ คามกำหนัดระค่ายพอใจไปยึดถือแนวของเราจะบุคคลสามารถตรวจสอบใจตนเองได้ว่าของเรามากขึ้นเท่าไรความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับของเราแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองแม้ของเราจะมากมายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใจไม่ยึดมั่นถือมั่น ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้เพราะเราก็จริงแล้วจํานวนของเราที่เป็นรู ป, ปรวัตถุนั้นไม่ใช่ตัวการสําคัญแต่ตัวการสําคัญอยู่ที่ใจซึ่งไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราและมีความมีตกกังวลห่วงใจเดือดร้อนไปกับสิ่งที่เรียกว่าของเราตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอก ข้างนอกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็อยู่อย่างที่เป็นอยู่ข้อนี้ที่จริงท่านก็สอนให้ดูตัวอย่างที่เป็นรู ป, ปรธรรมที่เราพูดถึงคำว่าทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนนั้นแสดงเห็นถึงภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากขอบข่ายของเรากว้างขวางออกไปแต่ถ้าเรามองดูถึงกษัตริย์ถึงเจ้าวัดถึงแม่เรือน ที่รู้แจ้งเห็นจริงธรรมะพอสมควรท่านก็สามารถปล่อยวางได้หรือมอบหมายภารกิจให้แก่บุคคลอื่นได้แล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจในบุคคลทั้งหลายรู้สึ ก, กว่าของเราที่เราจะต้องทําจะต้องรับผิดชอบจะต้องดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างจะต้องขึ้นกับเราพราะก็ลดลงไปความสุขก็เกิดขึ้นได้ภายในจิตใจของท่าน ดังนั้นในจุดนี้เองที่เป็นรูปธรรมเราก็พบเห็นว่าประชามหากษัตริย์ที่สเสวย ร, ราชอย่างเป็นสุขพ่อบ้านแม่เรือนที่ครองเรือนอย่างเป็นสุขสมภารเจ้าวัดที่อยู่วัดยังมีความสุขก็มีเป็นนั้นมากซึ่งโดยสภาพเขาพูดว่าถุกแต่จริงแล้วอยู่ที่ใจท่านไปยึดหรือไม่ไปยึดเหตุที่ให้ไม่ยึดก็คือปัญญาที่มาส่อง ให้เกิดความเข้าใจในสภาวะที่แท้จริงของสิ่งตดนั้นในร้าของการปฏิบัติหน้าที่การงานที่ท่านแสดงหน้าที่เอาไว้เช่สมมติ ว, มว่าเป็นพระราชาก็ต้องฉลาดในการเลือกคนมอบหมายคนทำงานแจกจ่า ย, ยงานให้แก่คนรับผิดชอบกันไปที่เรียกว่าปุริษัเมธะหรือสัตสเมธะมีการส่งเสริม ให้รัสดรประกอบสา ม, มาชีพแล้วก็ไม่ต้องวิตกเดือดร้อนเพราความเป็นอยู่ของรัสดรก็สบายไปพยายามให้ความรู้ความเข้าใจชี้แจงเหตุผลให้แก่นาประชารัศฎรรัษดรเข้าใจเหตุกระเใจผลรู้ทางควรประพฤติไม่ควรประพฤติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายให้เกิดความกระจ่างได้ปัญหาในด้านนั้นก็ไม่มี จะมีดักการสังคมสงเคราะห์ที่จะเกื้อกูลแก่คนทั้งหลายให้สามารถลดละความเดือดร้อนลงไปจิตใจก็สบายนั่นก็ที่จริงคือการสอนให้เห็นเป็นรูปบบธรรมว่าถ้าปัญญาเข้าไปใช้เข้าไปสอดสองไอ้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันก็เบาลงไปเองแม้งานจะมากมายกายกองแต่ถ้าบริหารงานยังมีปัญญา ความคิดวิตกกังวลเดือดร้อนกับงานกับคนก็ลดลงไปความสุขก็เพิ่มขึ้นทีนี้มาบีเพราะอยู่ที่คนเดียวอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวก็ยึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ากิเลสเป็นเหตุที้ยึดถือนั้นแม้จะยึดถือด้วยกามะกามุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นด้วยกามว่าของเราโดยความรักความคลายความปรารถนาพอใจก่า แต่ถ้าเกิดพยายามที่จะหาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นหรือเตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างน้อยสักห้าสิบห้าสิบคืออยู่ในโลกของสมมติเส้าห้าสิบอยู่ในโลกของความจริงสักห้าสิบหรือแม้สักสามสิบจิตใจของบุคคลก็มีหลักได้มีความสงบได้ในชั้นหนึ่งคือไม่ถึงกับหกลม้มหกลุก อาจจะเซไปบ้างนิดนิ ด, นดหน่อยห่อยแต่ก็ทรงตัวได้บางครั้งอาจจะเป็นการยึดมัน่นถือมั่นเดยอนาจของทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าในชั้นหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิปัลลาดคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริง จะมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมาสวยงามสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเที่ยงเป็นต้นแต่ทิฏฐิเหล่านั้นถ้าบุคคลได้เพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนเหตุผลเข้าไปแล้วก็ปรับความเห็นของตนให้อยู่ในจุดอย่างน้อยก็ไม่เป็นอันตรายซึ่งการไม่เป็นอันตรายนั้นอาจจะไม่เป็นอันตรายระดับศีลธรรมจัญญา แตตันเรียกว่าคุมความเห็นให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมในชั้นนี้ระดับศีลธรรมจญยาท่านใช้กรรมทิฏฐุชุ ก, กรรมคือทำความเห็นให้ตรงทรงต่ออะไรทรงต่อหลักที่พระพุทธเจ้าและนักปราราชาัจปิตทั้งหลายท่านแสดงไว้ท่านมีปัญญามากกว่าเราท่านสองให้เราเห็นแล้วบอกทางให้แล้วเรามีความเห็นตรงตามนั้น ถึงอาจจะอาศัยกำลังของศรัทธามากแต่ก็ปรับทิศทางในการดำเนินชีวิตในด้านความคิดได้มันก็เดินได้ให้แสดงเหตุว่าถ้าการยึดมั่นถือมั่นดยอำนาของกิเลสกระจ่างลงไปความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเป็นการปฏิบัติธรรมดีในฐานะนั้นๆคือลอได้มากเท่าไหร่ก็ดี ในด้านกิเลสจะเรียกชื่ออย่างไงก็ได้มากว่ามาธะละได้มากเท่าไหร่ก็ดีขึ้นเท่านั้นทีนี้ในส่วนของกุศลธรรมซึ่งถ้าเราพูดในสายของอริยศัสต ร, ร์ก็คือมรรคสั์การปฏิบัติดีระดับมรรคสัต์นั้นจะต้องอาศัย การมองให้เห็นคุณความดีของกุศลธรรมเหล่านั้นดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพวกกุศลธรรมเือจะบอกผลบอกอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเอาไว้ในชั้นที่สมบูรณ์เช่นใช้คำมาลีว่า อภินย ญ, ญายสัมโบธายะนิบานายะสังมัตติเป็นตน้นเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับเพื่อนิพพานซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นจุดสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติแต่ความรู้ยิ่งรู้ดีนั้นในยิงก็เกิดขึ้นได้โดยลำดับรู้ยิ่งขั้นสมบูรณ์จริงๆก็คือขั้นของนิพพาน แต่ว่ามันก็มีลดหลั่นกันลงมาอย่างความรู้ยิ่งในระดับศีลธรรมจัญญาก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าอะไรบาปอะไรบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นปะ อ, อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่ารู้ยิ่งในชั้นศีลธรรมจัญญาแล้วในชั้นของสัมปชัญญะความรู้ยิ่งระดับนี้ก็คือศาสตะสัมปชัญญะ จำแนกแกแย้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์รู้ทางที่ควรไปและไม่ควรไปคนควร ค, วรครบและไม่ควรครบเรื่องควรคิดและไม่ควรคิดรู้อะไรเป็นที่สบายหรือไม่เป็นที่สบายแก่ตนที่ ท, ท่านสรุปรวมง่ายๆว่าขาจัดความหลงได้อย่างน้อยที่สุดก็อย่ามืดบอดอย่าหลงออกจากทรรมนองครองธรรม แล้วก็ปรับตัวเองเดินขึ้นมาโดยลำดับก็ถือว่าเริ่มดีมาตั้งแต่งดเว้นไม่กระทำความชั่วแตะบนเส้นทางสายนั้นก็ดีขึ้นไปโดยลำดับแต่ดีระดับไหนดีระดับมนุษย์มันก็ดีอีกชั้นหนึ่งดีระดับมนุษย์ขอเพียงแต่สามารถปฏิบัติตามหลักของกุศลกำหนดสิประการได้มันก็ดีระดับมนุษย์แต่ถ้าดีระดับเทวดา ระดับเทพเจ้าจิตใจจะต้องมีความเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นสามารถปิดกั้นกระแสของบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นและความละอายความกลัวบาปนั้นจะต้องมีกําลังมากพอที่จะละอายแก่ใจตัวเองละอายแม้ในความคิด ไม่ต้องพูดถึงการกระทำและการพูดแม้แต่ความคิดก็ละอายต่อความคิดนั้นนั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประนีตภายในจิตใจมีแสงสว่างแห่งปัญญาสูงขึ้นเหมือนกระแสงสว่างมากมากมลยดำนิดเดียวเราก็เห็นได้แต่ถ้าเป็นการประพฤติปฏิบัติดีระดับพรหมเป็นเรื่องก็ความมั่นคงหนักแน่น มีที่ยึดเหนี่ยวไม่ถูกโจกคลอนหวั่นไหวได้ง่ายในด้านธรรมะท่านก็แสดงเรื่องพรหมปิหารทั้งสีไว้ด้า น, นจิตใจก็แสดงผลของการปฏิบัติระดับสมาธิเอาไว้จนถึงเป็นรูปปรจจันทที่จิตใจสามารถส ง, งบอกุศลประเภทกลุ่มรุมใจที่ท่านเรียกว่านิวรณไปได้ มีความมั่นคงภายในใจที่ท่านเรียกว่าเป็นวิคขมพนะปะหานคือละกิเลสด้วยการกดไปถ้าไม่มีแรงกระแทกจริงๆแรงจริง ๆ, ๆก็จะไม่หวั่นไหวแต่ถ้ากระแทกแรงๆก็หวั่นไหวได้แต่นี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติดีระดับพรม้ม แต่ถ้าเป็นการประพฤติปฏิบัติดีระดับพระอริยะเป็นการตัดมูลรากของกิเลสด้วยประการทั้งปวงในชั้นของการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่ท่านเรียกว่าตัดตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้เมื่อความตัณหานั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายในใจทําใจให้ดิ้นรนถเถยเถยานอยากไปในอารมณ์ทั้งหลาย แต่จริงตัณหามันก็มาจากเหตุและเหตุของตัณหาจริงๆก็คืออวิชชาซึ่งบางครั้งอาจจะพูดภาวะตัณหาบางครั้งอาจจะพูดพะว่าอวิชชาแต่ก็ตัดตัวอวิชชาหรือภาวะตัณหาไปได้ก็เหมือนต้นไม้ที่ถูกข้นกิ่งใบทั้งหลายก็ต้องเหี่ยวเฉาแตกดับไปตามธรรมดาตัณหาเป็นเพียงกิ่งใบของต้นไม้เท่านั้น มาตัดโคนไม้เสียตัดรากไม้เสียพวกเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้นั้นเป็นความดีระดับพระริยะเป็นการปฏิบัติดีระดับป ร, ริยะแต่ท่านเน้นไปที่กุศลแะธรรมคือการเพิ่มผูนอกุศลธรรมเป็นหลักซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็เป็นไปยอย่างที่ทรงสดแสดงไว้พ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำสองประการบุคคลควรกำหนดรู้คือนามรปนามและรูปทำสองประการบุคคลพึงละคือวิชาและภาวะตันหาทำสองประการบุคคลควรทำให้แจ้งคือวิชาวความรู้และวิมุตติคือจิตทิหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสทำสองประการบุคคลควรลงมือประพฤติปฏิบัติ คือสมถะและวิปัสนาเพราะการปฏิบัติดีที่เรียกว่าสุจินโนตามนิย่าแข่งพระพุทธดำระทิส่งแสดงว่าธรรมโมสุจินโนสุกมาภะคติธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วจะนำความสุขมาให้นั้นพิสูจน์ตัวเองมาทุกยุทุ ก, ทกสมัย แต่บุคคลได้รับความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติดีของตนในฐานะนั้นๆมีตัวอย่างนิทานบุคคลเรื่องราวพิสูได้เ็นได้ทั้งในอดีตและในปัจจุบันประการที่สำคัญคือสาธุชนทั้งหลายก็กำลังดำเนินอยู่บนเส้นทางของธรมโสุจินโนสุขมาพราหติคือเป็นผู้ประพฤติธรรมดีแล้ว จะเข้าถึงความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆก็เพียงแต่อย่าทอดทิ้งความพยายามในการกำหนดรู้การละและการบําเพ็ญธรรมะตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป